อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ493หนึ่งภิกษุถูกทายกถามว่าจะถวายที่ไหนจึงแนะนำว่าทายธรรมของพวกท่านพึงได้รับการใช้สอยได้รับการปฏิสังขรณ์หรืออยู่นานในที่ใดหรือท่านมีจิตเลื่อมใสในที่ใดจงถวายในที่นั้นเถิดสองภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติปรินามะ นาะสิกาบทที่สิบสองจบสหธรรมิกาวักที่แปดจบ